ธรรมชาดกแผ่นที่ส0บลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20มกราคม2 5 5 7มีชื่อเรื่องว่าพยามานแปลงกายโอ้วันนี้อากาศหนาวแต่ก็ยังพอ ทนไหวยเมื่อวานหลวงพ่อขึ้นมาจากทางกรุงเทพอากาศมันอุ่นๆพอขึ้นมาเมื่อคืนวานโอ้โหมาเจอหนาวเข้าเลยขาลากเลยเดินไม่ค่อยสะดวกเลยหนาวมากๆแล้วเมื่อวานพวกช่างพระที่เราไปสั่งแกะสลักจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายมาเขาจะมาดู มาดูความพร้อมของฐานพระแล้วก็มาดูจะยกพระน้ําหนักเกือบสิบตันเอาเข้าได้อย่างไรจะใช้เครยนยังไงจะใช้อะไรยกเข้ามาในฐานพระมาถึงประมาณสิบหรือสิบเอ็ดโมงให้คูบาทั้งหลายช่วยๆ่วยดูนะทำหลวงพ่ อ, อยังนั่นก็ให้บอกบอกหลวงพ่อด้วย เราจะได้ไปดูด้วยกันล้วจะวางแผนว่าเมื่อเอาพลามาแล้วเราจะเอาเข้าอย่างไงเอาเข้าฐานเอาเข้าแท่นอย่างไรเพราะปลาเนี่ยใหญ่นะหน้าตักตึ่งสมเมตรสองเมตรหรือสามเมตรแล้วก็ความสูงอีกแต่เป็นสองท่อนท่อนหนึ่งก็คือฐาน ฐานพระประธานและก็องค์พระประธานารวมกันแล้วก็เกือบสีห้าเมตรเอาความสูงของพระแล้วก็มีพระสาวกอีกสององคอ์ส่งถึงที่ค่าแกะค่าอไรพร้อมหมดทั้งหินทั้งหลายส่งถึงที่ส8มล้านแปดแสนห้ามื่นแล้วก็เป็นหิน ของประเทศสเปนเป็นหินดําประเทศสเปนหลวงพ่อที่แรกคิดว่าจะเอาพระทองเหลืองลงลักปิดทองเหมือนกับองค์ที่เราเห็นอยู่เนะี่ยพระประธานของเราอันนี้ท่านไปอยู่ในที่แจ้งที่โลง่งคงจะถูกหมอกถูกไอฝนถูกกังคงข้างเขา ยิงจกตุกแกมันอยู่ในที่โลง่งอาจจะมีนกมาเ ก, กาะจะขี่รถดูๆแล้วก็ไม่เหมาะที่จะมีพระประธานลงรักปิดทองอยู่ในศาลาหลังนั้นแต่นทีคิดว่าจะเอาพระขาวพระหินขาวเหมือนกับหินภูก้อนหินไว้คลราลาประเทศอิตาลีก็มีอยู่ แต่ก็มีคู่คัดค้านว่าหินขาวเนี่ยถ้าว่ามีอะไรขี่ตุ๊กแกหรือขี่นกไปเกาะจะทำให้ซึมซับด่างด่างได้เร็วมันซึมซับเข้าไปในหินขาวจะต้องได้เอาน้ำยาพิเศษมาล้างทีหนึง่งบอกว่าถ้าว่าเป็นหินดำหินแกรนิตแต่เป็นหินแข็ง จะดีกว่านเนี่ยแหละ ท, ที่นี่กัพระที่ไหนแตกให้เขามีเยอะถงทุกวันจุกบ้านเมืองจเจริญใครๆก็อยากจะทําบุญสร้างพระแต่๋ยตามไม่จริงเรื่องพระประธานเรื่องพระพุทธรูปนในพระไตรปิฎกเนี่ยมีไหมพวกเราก็คงอยากจะทราบเหมือนกันเพราะหลวงพ่อเนี่ย เป็นฝ่ายพระสองคนตำรับตำราดูความเป็นมาของพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระพุทธเจ้าความเป็นมาการสืบเนื่องของทางด้านวัตถุแต่ตามไม่จริงทางด้านวัตถุคือพระพุทธรูปเนี่ยในครั้งพุทธเจ้าไม่มีในตำรานะ่ะไม่มีใครที่จะทำทารูปเหมือนพระพุทธเจ้า แต่เมื่อพระพุทธเจ้าปริทินผ่านมาแล้ว300ปีตามตำรานะในพระไตรปิฎกคือพยามิลินกับนาคเกษณนาคเกษก็คือเป็นสมเด็จนาคเกษณและกับพยามิลินโต้ปัญหากันมิลินทัปปัญหาถ้าพวกเราอ่านพวกเราจะรู้ในมิลินทปัญหาพยาพิลินไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิด ตายและศูนย์เท่านั้นนะพระนาคเกษเนี่ก็อธิบายตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพิสูจน์ได้จะไปตายและศูนย์ได้ยังไงแต่นี้ก็เลยถกเถียงกันเม็ดเป็นปัญหาขึ้นมาเล่มวักใหญ่นะอ่านดูแล้วก็น่าศึกษาเหมือนกันแต่ว่าจะถามอย่างที่ พูดแล้วยม่ก็คงจะเป็นข้าคงเป็นข้าคงไว้อยู่ปยามิรินกับนาคเกษนะแต่พในสุดพระนาคเกษก็ได้ทำเป็นอันนี้ขึ้นมาทำเป็นหลอ่อเป็นพระพุทธ ร, รูปขึ้นมาให้คนได้กราบได้วาจก็เลยเป็นสั ญ, ญลักษณ์หรือเป็นเอกลักษณ์ เ, เมื่อพระพุทธเจ้าปริเพปันไปแล้วสามรอปีอันนี้คือตําราหนึ่งเขาพูดมาแต่ตําราหนึ่งพูดขึ้นมาก็คือพญามาอืรพญามารเขาพระอุปคุตอันนี้อยู่ในในตำราพระไตรปิฎกนะอพระอุปคุตสมัยหนึ่งเมื่อ พญาธรรมโสกราตจะฉลองที่สร้างเกดีแปดหมื่นสี่พันในประเทศอินเดียทีนี้ก็มีพญามารจะมาลังควานมาลังแก่ไม่ให้ฉลองนี่ก็พระโมคคริบุตรติสเถระเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านก็มองวาเนีผู้ที่จะปราบพญามารได้ก็คือพระอุปคุดแต่พระอุปคุดนี่ อยู่ในใต้น้ํามหาสมุทรอยู่ในใต้น้ำํำต้องไปกราบราธนาท่านขึ้นมาเพื่อจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปกป้องไม่ให้อันไหนที่เป็นอั ป, ปมงคลเกิดขึ้นในในงานได้อันนี้คือพระพุทธเจ้าพระริเนปานไปแล้วนะสามร้อยกว่าปีแล้วอันนี้ตําราใหม่ตําราเกิดขึ้นมาใหม่อ เดี๋วนี้ก็พระอุปคุดก็ได้รับอัราธนาเกิดขึ้นมาขึ้นมาก็เป็นผู้ดูแลให้เขาม่าดูแลเหตุการณ์ดูแลเรื่องราวต่างๆลักษณะอย่างนั้นเป็นผู้คุ้มครองคุ้มกันะแต่พยามารก็พยาบาลก็มาแย่งมามาชิงผลในที่สุดพระอุปคุดก็เลยเอสู้กับพยามารพยามารไม่มีโอกาส ผลในสุดนะนะมันทำไมพยามาลนะมันรังแกรังควานมากอ่พระอุปคุดก็เลยเสกหมาเน่าหนังหมาเน่าแขวนคอพยาพยามาลกนเพราะแขวนคอพยาบานพยามาลก็มันคลคอหมาเน่าแขวนคอเลยจะพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันมันเหม็นขนาดไหนพยามาลเนี่ะ วิ่งไปให้ใครแก้ให้ก็แก้ไม่ออกเลยวิ่งไปถึงชั้นพรมพรมก็ไม่แก้ให้แก้ให้ไม่ได้ใครเป็นคนใครเป็นคนแขวนคอกันนะไปหาคนนั้ น, นพญามารเนี่ยก็เลยไม่หาที่ไหนไม่ได้ก็ลเลยมาหาพระอุปคุตพระอรหรนันต์เองเป็นพระอุปคุตท่านก็บอกว่าต่อ น, นี้ไปอย่าไปลังแกอย่าไปรังควานใครนะ ถ้าขืนทําไปเองจะไม่แก้ให้พยามารเกิดยอมทุกอย่างพยามารยอมทุกอย่างพอยอมทุกอย่างแล้ ว, วพระอุปปุธเลยแก้ให้แก้ให้ยอมเป็นลูกศิษย์ท่านพระอุปปุธก็เลยถามว่าพยามารเป็นยังไงพระพุทธเจ้านะ่ะเป็นรูปลักษณะอย่างไรที่พยามารไปรังควนรังแก่พยามารก็เลยจําแรง จำแรงรูปว่าพระพุทธเจ้านะี่ยมีลักษณะอย่างนี้แหละคนละ้ายๆกับจำแรงนิลมิตรตัวเองให้เหมือนพระพุทธเจ้านะอพอจำแรงปุ๊บนั่งอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระอุปคุตกราบเล็วงี้นเถอะกราบพระพุทธเจ้าพญามารก็บอกท่าๆจะกราบจะกราบข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นเป็นพญามารไม่ใช่พระพุทธเจ้านะอยงนั้นเออ ข้าพเจ้าจำแรงให้ให้ดูให้ดูเฉยๆเหมอ่อพระยาพระอุปคูตก็บอกว่าเราไม่ได้กราบเราไม่ได้กราบพญามารเรากราบพระพุทธเจ้านู่นเราลำเลิกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่กาบเราไม่ได้กาบพญามารเพราะพญามารก็คือพญามารอยู่แล้วเราจะไปกาบทําไมพญามารแต่พญามารจําแรงตัวจําแลงรูปร่างให้เหมือนพระพุทธเจ้า อโอ้พระพุทธเจ้าขนาดได้เชี่ยวเลิเนี่ยสวยงามขนาดได้เชี่ยวเลิเนี่พยพญามานอยู่ในสมัยครั้งพระพุทธเจ้านะเห็นพระพุทธเจ้าทุกอริยบทการแกล้งพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่อย่างในพระไตรปิฎกนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานพญามานก็เข้าไปขอนะสมควรแล้วละ่ะท่านพระ พ, พุทธเจ้าข้าสมควรจะปรินิพานนั้นแหละเพราะเทศนาว่าการกมากระยาวนานแล้วนะ พระองค์ก็พุทธบริษัทของเราก็พร้อมที่จะโตวาทะกับทุกคนได้วาทะของเราที่ให้ไว้กับสาวกเนี่ยเพียงพอจากนั้นพระองค์จึงปรงสังขารจะปรินิพานแผ่นดินไหวสะท้านวันไหวไปหมดในในช่วงนั้นจากนั้นก็ พระอานุ์จึงได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพานได้โป่งสังขารเสร็แล้วพระอนุนก็กราบระรัตนาขอให้คืนคําพระพุทธองค์บอกว่าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่คืนคําเพราะเราให้นิมิตแก่พระอานนุ์หลายครั้งหลายหนแต่พระอานุ์ก็ไม่ได้สนใจนิมนให้นิมนนิมนเราเอาไว้เราก็เลยจะปรินิพาน ตามที่พยามาณขอเนะ น, นี่ยแหะอนี้คล้ายๆว่าพยามาณ น, นี่เกิดในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการเขียงคู่กันมาสมัยที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้กับพยามาณมาลังควานมีช้างมีอะไรมารบกวนรัดบันลังของพระพุทธเจ้าน่ยอันนี้คือพยามาณกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของคู่กันมานะแต่ได้มาดูๆแล้ว อย่างพระอุปคุดเน่ยกราบพยามารเนี่ยกราบพยามารแต่พญามารห้ามท่านจะกราบข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์ของท่านข้าพเจ้าเป็นมารท่านไม่ควรจะมากราบข้าพเจ้าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแต่พระอนุรุทธาบอกว่าเราไม่ได้กราบมารเรากราบพระพุทธเจ้าที่ท่านจำแรงให้ดูเนี่อคือพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอรบเลื่อมใส ประทำคําสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจึงกราบท่านนี่แหละจะมาเปรียบเทียบอีกส่วนหนึ่งทีนี้คนคนอื่นเขาว่าเนี่ยชาวพุทธนี่โง่พอสร้างพระพุทธโลกขึ้นมาเป็นหินเป็นอิฐเป็นปูนเป็นทองเหลืองขึ้นมาก็กราบกราบหินกราบปูนกราบหิ น, นกราบทร า, ายอถ้ากราบอย่างที่เขาว่าเนี่ยก็งโง่จริงๆนะ พอเห็นก้อหินที่ไหนก็กราบพอเห็นทองเหลืองอยู่ที่ไหนก็กราบเเผอิะจะไปเห็นทองเหลืองอยู่ในร้านเขาเก็ <ๆ S 1> ไปกราบทองเหลืองในร้านเข า, เขาอีกเพราะเป็นพเปพราะถือว่าเป็นเป็นทองเหลืองฮอแต่ที่เรากล่าบนะพ่อว่าเนี่ยเราปั้นขึ้นมาอจําลองขึ้นมานี่คือพระพุทธรูปคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงเราไม่เห็น แต่คนโบราณเขาทำสืบทอดกันมาหลายร้อยหลายพันปีที่เราขุดค้นขึ้นมาได้ก็เนี่ลักษณะอย่างนี้พระพุทธ ร, รูปเนะี่ยแต่พระพุทธ ร, รูปจีนก็อีกลักษณะหนึ่งพม่าก็อย่างหนึ่งอินเดียก็อย่างหนึ่งไทยก็อย่างหนึ่งเขมรก็อย่างหนึ่งก็มีหลายรุ่นเหมือนกันอย่างเมืองไทยของเราปางไหนจบปางไหนปางอู่ทองปาง ลบปุรีปางไหนแต่ลักษณะก็คล้ายคลึงแต่ก็ไม่เหมือนกันลักษณะตาทางของพุทธนี่สรุปแล้วก็คือเราไม่ได้กราบเหล็กหินปูนทรายทองเหลืองทองแดงหินเรากราบพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเนี่ย พระธรรมคำสอนของพระพุทธยาท่านสอนอย่างไรอันนั้นคือยกเป็นเป็นรูปขึ้นมา เ, เหมือนกับรูปพ่อรูปแม่ของเรารูปพ่อรูปแม่แล้วกบพ่อแม่แต่พาพ่อแม่ของเราเนี่ยให้พระคุณเราอย่างไรพ่อแม่ของเราก็สอนให้เลี้ยงดูเรามาเลี้ยงดูเรามาให้ความรู้เรามาให้สมบัติเรามาตั้งแต่ร่างกายหัวจดเท้า ได้มาจากพ่อแม่นี่แหละอันนี้คือพระคุณของของพ่อแม่ถ้าเราไปกราบกราบกระดูกหรือพ่อแม่ตายเพื่อกาบกระดูกพ่อแม่ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเหตุไหไรที่เรากราบกระดูกพ่อแม่ก็ลำลึกถึงพระคุณที่ว่าท่านให้กับเรามาพ่อแม่ให้พระคุณให้เรามาเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยอันนี้คือพระคุณสูงยิ่งสาหรับแต่ละคนลูก ที่เกิดมาจากพ่อแม่ลำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ที่ให้เลี้ยงดูลงมาให้ทุกอย่างนี่แหละถ้าคนมีปัญญาถ้าคนมีปัญญาจะลำลึกถึงพระคุณพระคุณของผู้มีอุปกรณคุณอย่างพระสงฆ์สาวกลำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายก็บรรยายไม่จบ เพระเพจไหล พ, พระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายเหลือล้นคนานาพระคุณของพ่อแม่ก็เหมือนกันท่านลูกที่มีปัญญาแล้วก็ลำลึกถึงพรคุณของพ่อของแม่เอืออันนั้นพ่อแม่ก็สอนอันนี้พ่อแม่ก็บอกอันนี้พ่อแม่ก็เลี้ยงดูเรามาพ่อแม่ก็เลี้ยงข้าวน้ําโภชนาอาหารผ้านุ่งห่มตั้งแต่เราเกิดมาพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตลอดจนถึงมาบัดเนี้ ถ้าเราบรรยายไปแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุไรพาอลูกมีปัญญาถ้าลูกโง่แค่อย่างเดียวเท่านะั้นะนะนะมดถ้าลูกโง่ทำไมเสือกให้เรามาเกิดเกิดแล้วไม่เลี้ยงดูเราอีกต่างหากเกิดมาแล้วให้เราทุกข์เรายากอีกต่างหากพ่อแม่นะี่แย่มากนะเนี่ยแหละลูกโง่ถูกลูกเนรคุณต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ละลึกถึงพ่อคุณของบิดามารดา ผู้มีอุปกรณคุณเนี่ยแหละถ้าบอกเราเราเกิดมาในยุคใดสมัยใดเกิดมาในในกลุ่มของคนโง่ได้พี่น้องคนโง่ได้ญาติโกโหติกาคนโง่ได้แวดวงอยู่ในกับคนโง่เราเกิดมาพบนั้นชาตินั้นเราก็ต้องทุกข์ละโมเป็นธรรมดาเพราะเหตุไรแต่ตามไม่จริงเราจะถ้า เรามาเลือกเกิดได้หรเราควรจะเกิดในช่วงที่คนที่มีสติคนที่มีปัญญาคนที่มีแสดงความกตัญญูกตวเวท่ตาถ้าเราไปเกิดได้นระเกิดในยุคนั้นถ้าเราเกิดไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้นะนยุคไหนที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวาย่าฟันลันแทงกันนะขดเข้ายากหมากแพงนะมาเกิดในยุคนั้นนะนะันนแปลว่าเรามีกรรมพามาเกิดเพราะนั้นขอให้พวกเรานะ ให้ตั้งความตั้งใจตั้งความปรารถนาไว้ในใจเกิดพบใดชาติใดก็ขอให้บ้านเมืองอยู่ได้ความร่มเย็นเป็นสุข응แล้วก็ให้อุรมสมบูรณ์อย่าให้มีภัยวิบั ต, ติต่างๆแล้วก็ขอให้ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาให้ได้พบะ พ, พุตตสาสนาให้พบพ บ, บัณฑิตนักปรารถนให้ได้พบหลักเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นธรรม อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันให้อยู่ด้วยความร่มเย็นผาสุขมีความเห็นสัมมาทิฏฐิให้มีเป็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยกันออย่าให้อยู่กับพวกมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดมีแต่จะหักร้างหักผานกันมีแต่จะฆ่าฟันลันแทงกัน่ะมีแต่จะเบียดเบียนอาฆาตพยาบาทจองเวรกัน่ะ เออถ้าเราเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นะทุกนะฮะเพราะนั้นให้ตั้งความปรารถนาในใจให้เกิดอยู่ในยุคบัณฑิตนักปราชัยให้ยกในพบพระพุทธศาสนาให้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เกิดในครั้งพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกให้เกิดในอยู่กับบัณฑิตนักปราชนะัเนี่ยแหละลงพอว่าถ้าเกิดถ้าเลือกเกิดได้นะเกิดอย่างนั้นนะแต่มันก็ยังว่านะ พวกเราท่านทั้งหลายบางทีก็คิดไม่ดีก็มีในใจคิดไม่ดีนั่นนะกรรมที่ไม่ดีก็จ้องเกิดพูดไม่ดีก็มีอีกทำไม่ดีก็มีอีกเนี่ยนะมันก็เลยไปตามกระแสรกระแสที่มันคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งไหนก็ดีให้คิดดีทาดีพูดดีนะกรรมชั่ว อย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังกรรมชั่วกรรมคือการกระทำทำได้สามทางโมนกรรมกายกรรมวจีกรรมถ้าคิดชั่วการทำออกมาก็ชั่วการพูดออกมาก็ชั่วในเมื่อชั่วแล้วเมื่อทำคิดชั่วแล้วทำชั่วพูดชั่วเลยเมื่อทำลงไปแล้วนะกรรมชั่วที่เราทำลงไปนั้น จะตามสนองเราถ่ง เ, เมื่อเราไปพูดเขาก็เอาคําพูดของเรามาฟ้องร้องขึ้นมาอีกในเมื่อเราไปทําเขาไปทําให้เขาเอไปทําที่ไหน เ, เขาก็จะเอาความชั่วของเราที่เราทนนะําไว้นี่ยเอามาฟ้องร้องเราอีกเนั่ น, นแหละกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเนย